วิธีรักษ<ห>ามนุษยสมบัติหลวงปู่สดมักแนะนำสิทธิ์ให้พยายามทําบุญทั้งด้วยกําลังกายและกําลังทรัพย์ให้รู้จักเลือกผู้ที่จะทําบุญด้วยหลวงปู่ท่านสอนให้ทุกคนพยายามรักษามนุษย์สมบัติท่านอธิบายว่าคนเรานั้นจะอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ต้องมีบิดามารดาญาติพี่น้อง เ่นสนิทมิสหายสามีภรรยาบุตรบริวารอย่างที่เรามักเรียกกันว่ามีพักมีพวกคนที่จะมีพักมีพวกได้นั้นต้องประกอบกรรมดีร่วมกันมาแล้วท่านจึงสอนว่าถ้าเห็นคนดีๆเขาทำบุญบริจาคทานกันแล้วก็ให้พยายามไปร่วมกับเขาไม่จำเป็นต้องร่วมด้วยเงินก็ได้ เพราะคนบางคนเขามีทรัพย์สินเงินทองเหลือเฟืออยู่แล้วเขาไม่ต้องการเงินแต่เขาต้องการให้มีคนมาช่วยเราก็ไปช่วยด้วยแรงเพราะว่าในภพชาติต่อไปจะได้มีพักพวกที่เป็นคนดีการจะมีมนุษย์สมบัติดีนั้นก็เป็นด้วยเหตุสองประการคือปุเพกตะปุญญตาการท า, ทาบุญร่วมกันมาในอดิตชาติ และการร่วมบุญกันใหม่การได้สังสรรค์ร่วมแรงร่วมใจในพกชาติปัจจุบันมนุษยสมบัตินั้นเมื่อมินแล้วก็ต้องรู้จักรักษาให้ยืนยงต่อไปต้องรักษาไว้ด้วยสังฆะวัตถุสี่สังหะวัตถุสี่หมายถึงทมอันเป็นเครื่องสงเคราะห์กันสี่ประการได้แก่หนึ่งทา น, ทาน คือการเสียสละหรือการเอื้อเฟือ้อการแบ่งปันการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทรัพย์สินสิ่งของต่างๆต่อกันการแบ่งปันของตนเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นไม่ตรหณีเหนียวไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียวคุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบไม่เห็นแก่ตัวเราควรคำนึงอยู่เสมอว่าทรัพย์สินของที่เราหามาได้ นม่ใช่สิ่งจรังยั่งยืนเมื่อเราจิ้งชีวิตไปแล้วก็ไม่สามารถนำเอาอไปได้สองอปิยาวาจ า, จาคือการพูดจาไพเราะอ่ อ, อ, อนหวานด้วยความจริงใจพระสจากโทษไม่พูดหยาบคายเก้าร้าพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์บอกสำหรับการละเทศะพระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญกับการพูดเป็นอย่างยิ่ง เพราะการพูดเป็นบันไดขั้นแรกที่จะสร้างลสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นวิธีการที่จะพูดให้เป็นปิยาวาจานั้นจะต้องพูดโดยยึดถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้เว้นการพูดเท็จเว้นการพูดสออเสียดเว้นการพูดหยากขายเว้นการพูดเพอเจ้อร์มอัตถาฐฐจริยคือ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อกันการส่งเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสสมานตาคื อ, ค, อความเป็นผู้เสมอต้นเสมอปลายความไม่ถือตัวการวางตนเหมาะสมแก่ฐานนะคุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่โลเล รวมทั้งยังเป็นการสร้างความนิยมและไว้วางใจแก่ผู้อื่นนอกจากนี้หลวงปู่ยังสอนให้เป็นผู้เสียสละรู้จักอดทนสางคหาวัตถุสีนี้เป็นสิ่งสำคัญมากในสังคมมนุษย์บุคคลใดถึงพร้อมด้วยธรรมสีประการนี้ย่อมเป็นที่รักที่เคารพยำเกรงของผู้คนทั่วไป บุคคลนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้จักรักษามนุษยสมบัติสังหาวัตถุธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผู้อื่นสังหาวัตถุแท้วผอ ง, อง ร, รมสี่ประกา ร, รการุศลกรรมเก่อเพื่<ข>อคือเครื่องยึดเหนี่ยวนำมิตภาพน้ำจิตน้ำใ จ, อใจเอื้ออบอุ้มพิภพกฐา หนึ่งทานทานคือเสียสละแสตุลละโลกชอบโมชั่วชามิหวังเพื่อเพิ่มผลเพียงประโยชน์ตนเหิดอตีซัดณเมื่อหน้าเมื่อนี้สุขสนองสองปิยาหาจาปิยาโพธอดื่ือวัจีอดยายามพาทีออา เว้นสอนเสียเสียสีทุศีนป่าสารสืบสสำคัญสร้างมิตรแมนโลกสวรรค์มันสามอัฏฐจริยาบำเพ็ญสงเคราะห์ให้แก่ชนรู้ช่วยบำเรอผลโลกลายังประโยชน์ทุกคนทุกแห่งคนย่อมไกลกบคาพึอคืนทุกสมัย สี่สมานตาประพฤติดีแต่ต้นจนปลายสม่ำเสมอใจกายทั่วท่วนแล้วเว้นอัตตาคลายขติรู้ตริรู้ตรองรวนโลกนั้นสรลเสริมนรชนแลโลกนี้อนิจจังเงาบาเงาบุญบำงปมใสชาติภพย่อมสิ้นสัง ถามที่สุดนาตั้งบาปเปิดบุญไว้บ่มบ้างปอดสีหลัก